1> 11ึสัตตาอปปหิตานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกริญยะเมื่อบุคคลเจ็ดจำพวกจะไม่ส่งทูตมาเรื่องมารดาบิดาเป็นไข้ข้อหนึสมัยนั้นมารดาของภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้มารดานั้นส่งทูตไปในสำนักภิกษุผู้เป็นบุตรว่าดิฉันเป็นไข้ขอบุตรของดิฉันจงมาดิฉันประสงค์ให้มาลำดับนั้นภิกษุนั้นคิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าเมื่อบุคคลเจ็ดจำพวกส่งทูษมาไปด้วยสตตหกรณียะได้แต่เมื่อไม่ส่งทูษมาจะไปไม่ได้สำหรับสาธมิกทั้งห้าแม้ไม่ส่งทูษมาก็ไปด้วยสัตากรณียะได้ไม่จำต้งกล่าวถึงเมื่อสาธมิกทั้งห้านั้นส่งทูษมาอนหนึ่งมารดาของเรานี้เป็นไข้แต่มารดานั้นไม่ได้เป็นอุบาสิกาเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายแม้เมื่อบุคคลเจ็ดจาพวกคือภิกษุภิกษุณีสิกคามนาสัมมณเณรสัมณเณรีมารดาและบิดาจะไม่ส่งทูษมาเราอนุญาตให้ไปด้วยสัตยากรณียะได้ไม่จําต้องกลาถึงเมื่อบุคคลเจ็ดจาพวกนั้นส่งทูษมาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจ็ดจาพวกนั้น แม้ไม่ได้ส่งทูตมาเราเอนุญาตให้ไปด้วยสัตตหะกรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อบุคคลเจ็ดจำพวกนั้นส่งทูตมาแต่พึงกลับในเจดวันภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้มารดาของภิกษุเป็นไข้ถ้ามารดานั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักของภิกษุผู้บุตรว่าดิฉันเป็นไข้ขอบุตรของดิฉันจงมาดิฉันประสงค์ให้มา ภิกษุทั้งหลายแม้มารดานั้นจะไม่ส่งทูดมาก็ไปด้วยสตากรยนยะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อมารดานั้นส่งทูดมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะแสวงหาคีลานพัตคีลานุปถากพัทหรือคีลานเภสัชจากถามอาการหรือจักพยาบาลแต่พึงกลับในเจ็ดวันภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้บิดาของภิกษุเป็นไข้ ถ้าบิดานั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักของภิกษุผู้บุตรว่ากระผมเป็นไข้ขอบุตรของกระผมจงมาผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้บิดานั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตตหะกรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อบิดานั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะแสวงหาคีฬานภัตขีฬานุปถากพัทหรือคีฬานเภสัชจากถามอาการหรือจักพยาบาลแต่พึงกลับในเจดวัน